พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าใช้ความโกรธแต่อย่าโกรธวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 เมื่อวานเป็นวันมาฆบูชาพวกพระสงฆ์คณะสัตธาญติโยมได้มาประทักศินที่ศาลาหลังน่้ห่ะพระทั้งหมดสี่สบอดรูปหลวงพ่อบอกว่าเมื่อวานบอกว่าครูบาทั้งหลายน่าจะทดลองทดสอบน่าจะทดลองดูนะ อดปกยาใ ห, ใ, หให้อดนอนถือเนชชิอนะ่ะเอาถือเนชชิตลอดทั้งคืนดยสิคู่บาคงจะถือเนชชิมาเมื่อคืนนะี่ก็เลยงดอาหารทั้งยี่สิบสององค์เนะี่ยคู่บาคงจะเบิกถอยหลังมา พระลงมาชั้นย2รูปงดชั้นส9เกรูปนะคุนะพอได้ดูดูดูสิกว่าพระบางตานวันนี้พระบางตางดชั้นทั้ง19รูปท่านคงจะถือเนชชิทั้งคืนนเมื่อคืนน่ปงพอบอกว่าอดตัวสิอดนอนตัวิประจักรูบาลในครั้งพุทธการท่านถือเนชชิ อธิษฐานจิตจะไม่นอนสามเดือนจะเอาอริยบทสองคือเดินกับนั่งจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพระทดลองดูสนะพระน้อยพระนุมกูบาทั้งหลายน่าจะทดลองดูอดอดนอนดูสิภาวนาทั้งคืนดูเป็นยังไง เพราะนวันนี้คูบาคงจะอดนอนมากเมื่อคืนเนี่ยพอวันนี้ก็เลยเบิกถอยหลังใช่ไหมแต่วันนี้จะมีการบวชพระเนะดู้สิวา่าคนักญาติของพี่น้องของนาคลงมานี่ที่จะบวชนากวันนี้สามสามนก บวชพระบวชนาคสามคนวันนี้ฉันจะงานเสร็จแล้วก็คงเจอเข้อไปข้างในแล้วก็วันนี้ให้ช่วยจวกันดูนะปกกูบาทั้งหลายรู้สึกว่าคณะทางสนนกวนครก็จะเข้ามานะวันนี้ตอนช้สายตามกำหนดที่ได้พูดกับมีจดหมายมานะให้โ่วโวกันดู พวกหนังสือธรรมะนะ่ะแจกลูกหลานลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างน้อยก็เ น, นี่ยมีหนังสือธรรมะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นถ้าจะมองให้แจกเหรียญหรือแจกพระเครื่องให้พอแจกไปแล้วก็ดีใจแต่ทีแรกนะนก พอได้ไปแล้วก็ใช้กล้องสองแล้วสองอีก เ, อเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้ในหับซะนานๆไปผลที่สุดคนหมดความสำคัญเบีนยงไปเก่รุ่นไหนมันดังอันนี้หนังสือธรรมะเนี่ยมันดังอยู่ตลอดเวลานะ ถ้าเราหยิบขึ้นมาอ่านเมื่อไหรก็เป็นเครื่องกร ะ, กระตุ้นเตือนใจของเราตลอดเวลาเพราะนั้นหนังสือธรรมะท่านเราได้ไปแล้วก็เก็บไว้ที่ซุ้มไว้หิ้งพระบังไว้ที่ตู้บังไว้ที่ปลอดภยัยในเมื่อคราวทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อทุกข์ใจขึ้นมาเราก็หยิบหนังสือธรรมะมาอ่าน พอมาอ่านก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจเป็นทำคำสอนหาวิธีทางออกทางด้านจิตใจของเราเพราะนั้นหนังสือธรรมะมีประโยชน์นะลูกหลานนะที่หลวงพ่อแจกไปหลวงพ่อมั่นใจเพราะว่าเมื่อเราได้หนังสือไปแล้วนะจะไปทิ้งทิ้งควงวา ง, วางแต่บางคนก็ไม่ไม่รู้จักคุณค่า พอได้ไปแล้วก็คนได้ของฟรีใช่ไหมล่ะผลที่สุดคนไปทิงๆิ้งคงควางกับไปช่างกิโลขายก็มีมากต่อมากเหมือนกันก็น่าเสียดาย เ, าเหมือนกับไก่แจ้เห็นพลอยลักษณะอะไร เ, เห็นเพชรเขี่ยอัหาอาหารไปเขียเขียไปไปเห็นเพชรที่มันหลุดจากหัวแหวนของเขา ไก่แจ้ก็ลำพึงขึ้นมาเออถ้าหาว่าเจ้าเนี่ยนะไปอยู่ในหัวแหวนของเขาในมนุษย์คงจะมีคุณค่าแต่สำหรับเราที่เป็นไก่มองดูแล้วสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะนะฮมันเปรียบเทียบ ว, ว่าเพชรเม็ดหนึ่งกับข้าวสารสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้แต่ถ้ามันไปอยู่ใน ในหัวแหวนของมนุษย์นะแปลว่าเม็ดเม็เพชรเม็ดนั้นนะมีราคาเหมือนกับข้าวหลายตันเลยไม่ใช่เม็ดเดียวนะเป็นหลายตันนะเพราะอะไรเพราะมันมีราคานี่นี่แหละของที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ก็เพราะคนที่เอาไปนะั่นรู้จักประโยชน์นะถ้าว่าไปรู้จักประโยชน์ ออกไปแล้วก็ไปทิ้งทิ้ ง, งคว่างคว่กันหนาเสียดายนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดได้ฟังเ น, นี่ยหนังสือธรรมะที่แจกไปนี่มากโตมากที่ลงทุนนี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยที่แจกหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยหมื่นเล่มเพื่อออกมาแจกเลยหมืนเล่มเล่ ม, ล, มละเท่าไหร่ เล่มละี่บาทห้าสสตังค์ฮะถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็สี่แสนกับห้0พันบาทจะได้จ่ายทางบริษัทพิมพ์หนังสือแต่หลวงพ่อเองไม่เสียดายเงินนะไม่ได้เสียดายเงินที่แจกหนังสือไปเสียดายแต่ลูกหลานไม่เอาไปอ่านเท่านั้นนะถ้าลูกหลานเอาไปอ่านจดคณะัตฺตาญาณโยมออกไปอ่านนะหลวงพ่อมั่นใจว่า หนังสือนจะเปิดจะเกิดประโยชน์สำหรับลูกหลานผู้ได้ฟังได้ศึกษาแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือไม่เอาไปแล้วไม่ได้อ่านก็นไม่ควรจะเอาไปเหมือนกันนะเพราะหนังสือมันมีราคามันมีคุณค่าแต่ด้วยมากของฟรีแจกไปเท่าไรก็รับไปรับไปหมดน่ะ พอไปเสร็จแล้วเห็นเขาได้ก็ได้ตามเขาพอได้ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งควงควางจุดนี้น่าเสียดายนะเสียดายหนังสือธรรมะของดีไม่ไม่มีคุณค่าสําหรับผู้ที่รับไปแล้วไม่รู้จักคุณค่านะแต่ทีนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ค่ะกรเตือน ต, นต้นเตือน ล, ลูกหลานทุกคนให้รู้จักเอา หนังสือธรรมะไปสอนตนเองถึงเราพวกเราจะอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเราได้หนังสือมาเนะี่แล้วก็มาอ่านมาอ่านมาศึกษามันก็ช่วยความจำของเราส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนะทางทัพพุตธรมหลักวิชาแพทย์วิชาหมอแล้วก็มีประโยชน์อีก พอเหตุใดพอนังสือธรรมะนังสือนะเขาบอกว่าควรจะอ่านนังสือผู้สูงอายุนะผู้สูงวัยควรจะอ่านนังสืออย่างน้อยวันละ30นาทีครับทำไมเขาบอกว่าเหมือนกับเราออกกําลังกาลังกา ย, ยาลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าคนใดก็ตามไม่ออกกําลังกายนะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเพลเผล่ เห็นวาลูกหลานของของตนเองมากข้าไม่เดินก็ได้ให้ลูกหลานหามก็ได้ผลที่สุดลูกหลานก็หามใช่ไหมเพราลูกหลานมากผลที่สุดตัวเองก็เดินไม่ได้พราะอะไรเพราะผังผืดมันติดนะเพราะมันไม่ได้ออกกําลังกายนี่แหละการออกกําลังกายนะครถ้าใครช่วยตนเองเอทําอะไรเดินชอบเดินชอบทํางาน ชอบช่วยให้ร่างร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดคนนั้นจะช่วยตนเองได้ตลอดเมื่ออายุมากก็ยังช่วยตนเองได้นะแต่ถ้าว่าผู้ใดขี้เกียจเดินขี้เกียจกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเนี่ยไม่นานแล้วคนนั้นจะเดินไม่ได้นี้ก็เหมือนกันทางสมองก็เหมือนกันท้าว่าเราไม่ได้ออกเราไม่ได้ใช้ความจำ แต่ละวีแต่ละวันคิดเรื่อยเ ป, ยปเื่อยไปเรื่อยแต่ละวีแต่ละวันไม่รู้คิดเรื่องอะไรต่อ ม, มีอะไรผลที่สุดก็เลยเป็นอันเซเมอร์เข้ามาเแต่ถ้าว่าพวกเราอ่านหนังสืออ่านไปแล้วหน้าหนึ่งเราก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็ทบทวนว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเราเร า, เราอ่านหนังสือเรื่องอะไรเขาวพูดเรื่องอะไรในหนังสือเนี่ยจากนั้นเราก็จำได้นะพอจาได้ในหนังสือ หรือจำไม่ได้ทำไมจ่จาไม่ได้ อ, อ่านไมคีเอกทบทวนอีกอ่านอีกสักรอบจากนั้นก็นั่งอีกทบทวนอีกเราอาร่านเราอ่านเรื่องอะไร น, ะนี่แหละอันนี้เป็นการทบทวนทางสมองนะคนนั้นจะไม่หลงไม่ลืมง่ายๆจะจำได้เป็นการฝึกสมองในไปในตัวเหมือนกับเราออกกําลังกายลักษณะอย่างนั้นหละ เพราะนั้นลูกหลานคณะสัทธายญาติโยมทุกคนเนะีเรื่องอ่านหนังสือธรรมะพออ่านเข้าไปแล้วเนะี่ยจะเกิดประโยชน์ปรับปรุงกายวาจาใจของเราบางคนก็เนะี่ยขี้โมโหเห็นอะไรก็โกรธลูกหลานแต่พออ่านหนังสือเข้าไปแล้วหนังสือธรรมะนะในหลักธรรมคำสอนของว่าเออจะไปโกรธทำไมรู้จักปล่อยรู้จักวางบางสิ รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างสิจะไปโกรธอะไรมากมายนักหนาเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะควรจะยุดควรจะเยืดย่ดยนสิ่งไหนควรปล่อยสิ่งไหนควรวางสิ่งไหนควรยึดควรมันควรจะใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่าง ไม่ได้อย่างใจของตอนเองแล้วก็เออโกรธหัวฟัดหัวเวียงเอเหมือนกับเลือกนั้นเป็นจริงเป็นจังจริงๆแต่เรื่องนั้นมันก็เป็นเกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเอแล้วก็นะถ้าเรารู้จักปล่อยวางลงไปบ้างเอาบางทีก็บางทีคนเราลูกหลานบางคนญาติพี่น้องบางคนเพื่อนฝูงบางคน เขาก็อาจจะไม่รู้อาจจะถลําเข้ามาอาจจะพูดออกมาถ้าเรามีแต่โกรธให้เขาอย่างเดียวก็หัวฟัดหัวเวียงมันก็เป็นทุกข์ใจของเราเหมือนกันนะเราก็ต้องคิดดูบางทีเราก็มีเหมือนกันว่ะเมื่อเราเมื่อทำอย่างนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วก็ทำให้เขาเหมือนกันบางครั้งอย่างที่เขาทำให้กับเราเอาเถอะ เราก็เตือนบอกเขาซะอย่าทำจากนั้นเราก็ปล่อยวางทางด้านจิตใจโกรธไปก็เท่านั้นละ่ะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไปก็เท่านั้นละ่ะมันไม่เกิดประโยชน์แต่บางคนไม่เป็นอย่างกันนะถ้า้าโกรธให้ใครกับไม่เผาผีจีกระดูกกันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอีกต่างหากในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเจาเวรจะระงับ ไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเราอย่างจองเวนกันอยู่เวีนจะระ ง, งับได้ถ้าหากว่าพวกเราไม่ผูกเวนไม่จองเวนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ยึดยึดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไว้นะในใจถ้ารักใครก็จะไปรักมากจนเกินไปจะเมื่อพัดภาคจากกันไปนันหลงห่ม้องให้เส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหาก เพราะไรเพราะรักกันจนเกินไปอีกสักวันหนึ่งเราต้องคิดไว้ในใจนะคิดเวทคิดเป็นภาษาใจของตอนเองอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องตายจากเขาเขาจะต้องหนีจากตายจากเราถึงจะรักก็เท่านั้นถึงจะโกรธให้เขาก็เท่านั้นอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องแยกย้ายกันอันไหนคือคุณงามความดีความดีมีไหม เราควรจะเอาความดีออกมาอสู่กันเว้นเสียตวะคนนั้นมันเกินไปแล้วก็เตือนซะบอกซะดุด่าว่ากล่าวซะเสร็จแล้วก็ให้แล้วแล้วกันอย่าไปผูกพยาบาทอย่าไปผูกอาฆาตอย่าไปโกรธกันจนเกินไปถ้าโกรธกันเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าไม่โกรธเฉลย เขาทำอะไรก็ช้ อ, อก็ไม่ได้นะไม่มีรถไม่มีกฎไม่มีระเบียบในแถวส า, ายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจะพูดให้ลูกหลานฟังบางทีครูบาอาจารย์เนี่โกรธอย่างหลวงตามหาบวัวหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันแต่หลวงหลวงพ่อแล้วไม่ทันหลวงพ่อแล้วไม่ทันหลวงปู่มั่นนะแต่หลวงปู่ล่าท่านอโอ้หลวงปู่มั่นเนี่ ด, ดุจริงๆธรรมะนะดุจริงๆพอผิดเรื่องอะไรขึ้นมาโอ้โหชี้หน้าชี้ตาดุแต่พอดุแล้วก็แล้วไปในเรื่องนั้นจบแต่ท่านบอกแต่ท่านบอกว่าความโกรธเนี่ยใช้อาการของความโกรธนี่ดีแต่อย่าไปโกรธ ทานว่านะมันทำได้ไหมปุถุชนมันทำไม่ได้นะถ้ามันโกรธมันโกรธออกมาจากใจจริงจริงแต่ผู้ที่ฝึกหัดาทางด้านจิตใจและอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านท่า น, ท, านท่านทำท่านโกรธท่านใช้อาการของความโกรธแต่ท่านไม่โกรธ ถ, ถ้าหากว่าไม่ใช้อาการของความโกรธจะปกครองไม่ได้า น, านะ อะไรก็เอยใจดีไปหมดผลที่สุดก็เลยเละเละเละทะเ ท, ะทะไปหมดเพราะนั้นสิ่งไหนที่มันผิดหลักพระธรรมในผิดก ฎ, กฎกติกาต้องชี้นิ้วทันทียศนะ้อยอย่าทำนะ ท, ำทําท่าเึืงขังตาเกี่ยวปัดอีกต่างหากนะ<อ>แต่ผุดผุดไปแล้วก็จบไปก็ไม่ได้ถือโทษโกรดเครืองแต่อย่าทําอีกนะ ถ้าทําอีกต้องไล่นี้จากวัดนะอย่างเนี้ยคือครูบาอาจารย์ท่านต้องใช้อากับกิริยานั้นคือใช้ความโกรธแต่ท่านไม่โกรธแต่พุทุชนมันทายากนะแต่พระอริยะแล้วท่านทาง่ายทำได้เพราะการอยู่ด้วยกันจะไปดีทุกอย่างก็ไม่ได้จะไปโมโหโกรธานทุกอย่างก็ไม่ได้ถ้ามันผิดถ้าว่าไม่เอาชัด มันก็ไม่เข็ดมันกันนะพอมันกิ เ, กเลสมันรื้อด้านอนะแต่พอมันรื้อด้านขึ้นมาแล้วท่านก็ใช้แบบมัดหนักๆด่าแบบชีน้น้วเลยเออพอพน้นให้สุขแล้วก็จบนะแต่ทางว่าไม่ฟั ง, อ, งอีกนี่แหละครั้งที่สองครั้งที่สามเท่านั้นแหละแปลว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ต้องไล่ออกนะเห็นไหมนะอย่างพระพุทธเจ้า พระบรมครูบกบรมครูของพวกเราเนี่ยท่านก็เป็นคนดีนะเออท่านบริสุทธิ์มุดทุกอย่างแต่ท่านทำไมอย่างเทวทัตเนี่ยไปทาให้กับท่านท่านก็บ่าเทวทัตไม่ดีเออท่านก็ว่าไม่ดีท่านก็ดุนะเออบางทีพระเทวทัตเข้าไปข อ, อาจากพระพุทธเจ้า ว, ว่าขอปกครองสง อขอดูแลพราะพระพุทธเจ้าอายุมากแล้วแต่ตามแท้จริงตัวเองก็อายุมากเหมือนกันนะ่่ะแต่ว่าทิฏฐิมานะเนี่ยลืมเจ้าของอนะ่ะว่าพระพุทธเจ้าอายุมากแล้วขอก็อผมขอปกครองส่งฆ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัต เ, เธอเน่ย เ, เ, เหมือนกับเสออนะเลดก้อนหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับสเลดที่ทุยออกมาน่ะไงก้อนหนึ่งท่านเอง จะมาดูแลปกของสูงได้อย่างไงเนีเป็นพระพุทธองค์พูดแบบแบบเด็ดขาดนะฮะแบบว่าไม่ได้มองเทวทัตยอยู่ในสายตาเลยแล้วลักษณะอย่างนะั้นน่ะเหมือนขี้เลษก้อนหนึ่งท่อนเองนั่นแหะพระเทวทัตก็โกรธอย่างมากอีกเหมือนกันนะฮะโกรธพระพุทธเจ้านะแต่ตามเป็นจริงพระองค์บอกว่าท่านพูดตามความเป็นจริง เทวทัศน์ไม่มีคุณธรรมอะไรในจิตใจแล้วจะมาปกครองสงฆ์ได้อย่างไร น, นี่แหละอันนี้แหละถ้าจะว่าไปคือพุท ธ, ธะก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมีนิคไาหะคือข่มปักไคหะคือยกย่องอมีข่มและมียกย่องในพุทธศาสนานถ้าใครผิดท่านดุดาว่ากล่าวข่มเป็นอรัชิตาเป็นอรัชชี เป็นผู้ไม่มีฮิลิอไม่มีหิิอตตะปาแต่ยกย่องท่านเขเออนี่แหละผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือพระอริยบุคคลนะพระโสดาสัทาคานาคาอรหรันนี่แหละนี่แหละของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราในฐานะปุถุชนลูกหลานทั้งหลายให้สมรวมระวังขาโรโกรธให้ใครก็เหมือนกัน อย่าไปโกรธจนเกินไปรักเกินไปให้พอประมาณนะพอนึกในใจนึกในใจอืมอีกสักวันหนึ่งนะอข้าพเจ้าจะต้องถึงจุดจบจะต้องหนีจากกันอันไหนคือคุณคะคุณงามความดีควรจะเอาคุณงามความดีเข้าหากันไว้ดีกว่านะถ้าคิดได้อย่างนั้นดีมากนะลูกหลานนะคณะธรราญาติโยมนะนี่วันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับ พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติลูกหลานมันต้องมีแหละเพราะเราอยู่ด้วยกันเพราะต่างคนก็ต่างมีกิเลสโทสะแต่ถึงยังไงถึงจะมีโทสะก็อยู่ในกรอบอย่าได้ออกนอกรูนอกทางอยู่ในอยู่ในอยู่ในเตาอย่าให้มันออก อย่าไปกระเด็นไปไหม้ที่อื่นนะพูดง่ายๆนะให้มันอยู่ในเตาไฟจากนั้นเราจะทำหูงหาอาหารเราก็ทำได้นะแต่มันไปไหม้ที่อื่นเสียหยนะ้อยไฟนะอันนี้ก็เหมือนกันนะไฟกิเลสแล้วก็ให้อยู่ในกรอบของใครข้องเราทำไปไปไหม้คนอื่นทำให้คนอื่นรวดร้อนนะแต่ถึงยังไงก็ตามทาเมื่อใช้ก็ให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะ ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ใช้มีดให้เป็นประโยชน์ใช้ที่มันเป็นโทษให้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าใช้ใเป็นโทษมันก็เป็นโทษได้นะแต่ผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมในจิตใจนะใช้อะไรออกไปมันจะมีประโยชน์นะคณะธรราญาโฉมลูกหลานอต่อเนไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรับพรนะนัเนะ